สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและในวันนี้ก็อีกเช่นเคยผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องเล่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าผู้กลับมาเมื่อตอนที่ผมยังเด็กผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นบ้านหลังเล็กๆกลางป่าใหญ่ภายในอาณาเขตของป่าผู้หินร่องกล้า บ้านที่หลังคามุงด้วยตับยาคาสารฝาด้วยใบตองตึงเสริมไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นการอยู่อาศัยที่ไกลสิ่งอำนวยความสะดวกและแยกตัวออกไปโดดเดี่ยวจากหมู่บ้านค่อนข้างเยอะแต่ทว่าในละแวกนั้นก็ยังพอมีบ้านคนที่มาหักล้างถางพงจับจองที่ดินทํากินกันและสร้างบ้านอยู่ในระยะที่เดินไม่เหนื่อยและก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพรารัฐบาลยุคนั้น สนับสนุนให้ประชาชนถางป่าจับจองที่ดินทํากินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองการที่เราอาศัยอยู่ในป่ามันไม่ได้ทำให้ผมขาดการศึกษาแต่อย่างใดผมยังเดินตามคันนาตอนเช้ามืดเพื่อไปโรงเรียนในหมู่บ้านได้ครอบครัวของผมนั้นทำไร่ข้าโพดและปลูกข้าวเอาไว้กินกันเองเงินทองจึงมีความจาเป็นเพียงแค่เล็กน้อย ก็เพื่อใช้ซื้อบางอย่างที่เราไม่สามารถหาได้จากป่าเท่านั้นเวลาว่างพ่อกับแม่ของผมจะเอาใบากระท h o n มาต้มทําน้ํากระท h o n เอาไว้ใช้แทนผงชูรสขนมหวานสุดหรูที่ผมหาได้ก็คือข้าวเหนียวจิ้มนมข้นหวานตามมลิที่พ่อซื้อมาให้จากในหมู่บ้านหนึ่งกระป๋องสามารถใช้กินได้ถึงครึ่งเดือนเลยครับส่วนอาหารที่ผมได้กินประจํามักจะมาจากป่า ไม่ไกลทุ่งนาใกล้ใกล้บ้านทั้งหน่อไม้เอวยผักหวานดอกกระเจียวปลากบปูเห็ดไข่เห็ดเผาะเห็ดระโงกรวมไปถึงหวกและแยะผละไม้ก็จะเป็นผลไม้ป่าครับเช่นลูกเล็บแมวเปรี้ยวหวานหวานมันแก้วป่าผลไม้สีแดงลูกเล็กๆออกลูกเป็นพวงๆกับผลไม้สีเหลืองต้นเตี้ยเรียดิน และผลไม้ที่คล้ายกับปาล์มขนาดเล็กที่ผลสุกเหมือนลูกหมากที่มีความหวาน ค, คล้ายๆกับอินทผลัมแต่เล็กกว่ามากซึ่งผมก็จำไม่ได้ครับว่ามันชื่อว่าลูกอะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่วนกินไปแบบนี้เพราะไม่ค่อยจะมีตังในยุคที่ทองคำบาทละ2 3ถึงบาทและการจะซื้อเทปของทอมดันดีมาฟังสักตลบมันก็คงเป็นอะไรที่ยากเกินไปครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันแพงช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาการตื่นของที่ดินแถบนั้นคนจนมีแรงก็พากันเข้าจับจองถากถางคนรวยก็มาตามขอซื้อบางคนก็ขายแต่บางคนก็มาปักหลักทำมาหากินจนกลายเป็นคนที่นี่เลยครับในช่วงนั้นเองความโดดเดี่ยวของบ้านผมก็ถูกทำลายลงเพราะมีชายหญิงคู่หนึ่ง เขามาปลูกบ้านใกล้ๆกับบ้านของผมไกลออกไปสักประมาณ300เมตรแค่นั้นเองแต่เป็นบ้านที่ค่อนข้างจะดีกว่าบ้านของผมอยู่มากเพราะทำโดยไม้เลื่อยทั้งหลังตอนเขาเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเขาก็พากันแวะเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่ผมเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่มาก่อนผู้ชายนั้นรูปร่างสันทัดแต่ตัวไม่ใหญ่มากก็เขามายกมือไหว้พ่อแม่ของผมแล้วก็แนะนาตัว บอกให้รู้ว่าเขานั้นชื่อบ่าวฝ่ายหญิงเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีผิวคล้ำแต่มีความสวยคมผิดแผกจากคนบ้านของผมที่จะดังแแบบๆซะส่วนใหญ่ผมเรียกเธอว่าพี่นางทั้งคู่เป็นผัวเมียที่พึงได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วก็อบพยพกันมาจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เพราะว่าพ่อของพี่บ่าวยกที่ดินตรงนั้น ให้มาทำมาหากินการผูกมิตรเป็นไปได้ด้วยดีน้ำใจไมตรีระหว่างครอบครัวของผมกับครอบครัวของพี่บ่าก็เริ่มต้นขึ้นพี่บ่าลงมือทำการเกษตรในที่ดินรอบบ้านป่าที่ผมเคยไปเดินเล่นถูกโค่นจนราบเหลือไว้เพียงเล็กน้อยในต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จนเกินไปไร่มันสำปะหลังถูกเข้ามาแทนที่รอบรอบบ้านของพี่บา่าจึงรายล้อมไปด้วยมันสำปะหลังและข้าวโพดแป้ง ส่วนตัวผมนั้นเวลาพ่อกับแม่ต้องไปในไร่ข้าวโพด ท, ที่อยู่ไกลออกไปจากตัวบ้านแม่มักจะทิ้งผมไว้ที่บ้านคนเดียวผมก็ชอบเข้าไปเดินเล่นในไร่มันสำปหลังของพี่บ่าวกับพี่นางแล้วมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เห็นผู้ใหญ่ทำอะไรกันเพราะการได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากบนบ้านผมก็เลยปีนบันไดขึ้นไปแอบดูแต่ผมถูกจับได้เพราะพี่บ่าวเห็นผม แต่พวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังเป็นแค่เด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็ยังถามซื่อของผมไปพวกพี่เขาก็พากันหัวเราะแล้วก็โกหกผมเขาบอกว่าเขาทะเลาะกันพี่บ่าวก็เลยสั่งสอนพี่นางและในตอนนั้นผมก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนับจากวันนั้นมาผมก็มักจะแวะไปบ้านพี่บ่ากวกับพี่นางเพราะพี่บ่าวเป็นคนที่หาของกินเก่งแล้วก็ชอบชวนผมไปจับปู จับปลาไหลเก็บผักหวานมาทําอาหารตกเย็นพอพ่อกับแม่ของผมกลับมาพี่นางก็จะเอาข้าวมาให้พ่อกับแม่ของผมแล้วก็ชมผมให้พ่อกับแม่ฟังว่าผมเป็นคนไปช่วยพี่บ่าวเลยได้ของมาทําอาหารกินพี่บ่าวกับพี่นางเป็นคนที่ใจดีหลังจากการปลูกมันก็พอจะมีเวลาว่างผมเลยมีโอกาสได้ไปนู่นไปนี่กับพี่บ่าวทั้งป่า ทั้งทุ่งนาบางครั้งพี่นางก็ไปด้วยจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีราๆนั้นนะครับผมก็ขึ้นปอสองพี่บ่าก็ติดทหารก็เลยต้องไปเป็นทหารพี่บ่าแวะมาฝากพี่นางไว้กับพ่อกับแม่ของผมพ่อผมบอกว่าทําไมแม่ให้อีนางกลับไปอยู่กับญาติๆที่ด่านซ้ายก่อนละ่ะมาอยู่แถวนี้ผู้หญิงคนเดียวมันอันตรายพี่บ่าวก็เลยบอกว่า ให้พี่นางกลับไปไม่ได้เพราะว่าที่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อห น, นีบางสิ่งบางอย่างมาเหมือนกันถ้าพี่นางกลับไปก็จะมีอันตรายและเราก็มารู้ตอนหลังว่ามีลูกชายผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งพยายามจะฉุดพี่นางไปเป็นเมียแต่พอไม่ได้ก็ขู่ที่จะทำร้ายและจะฆ่าพี่นางทั้งสองก็เลยต้องพากันหนีมาอยู่ที่นี่เมื่อพี่เบ่าไปเป็นทหารพี่นางก็ต้องอยู่คนเดียวเวลาว่างๆ พี่นางก็จะแวะมาหาแม่ผมมานั่งพูดคุยปรับทุกข์และสุขกันส่วนตัวผมนั้นก็ยังหมันไปหาพี่นางอยู่เหมือนเดิมช่วยพี่นางปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาพี่บ่าเมื่อเสร็จจากการฝึกก็จะกลับบ้านมาพร้อมกับของฝากเยอะแยะผมก็เลยพลอยได้รับอันิสงไปด้วยในช่วงนั้นเริ่มมีคนพากันเข้ามาตั้งบ้านลึกเข้าไปในป่าด้านในจนกลายเป็นชุมชน ประมาณสิบหลังคาเรือนและเริ่มมีพ่อค้าหัวใสจากด้านในหมู่บ้านเอาขนมหวานใส่ตะกร้ามัดติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์บางแล้วเอาเข้ามาขายในพื้นที่นี้และแกก็จะรับฝากซื้อของจากในหมู่บ้านด้วยในตอนนั้นพวกผู้ชายที่เข้ามาอยู่ใหม่ในกลุ่มบ้านด้านในพอเห็นว่าพี่นางอยู่คนเดียวก็จะพากันมาจีบรวมทั้งพ่อค้าขนมหวานคนนั้นด้วยแต่พี่นางก็ได้แต่ยิ้มยิ้ม แล้วก็บอกกับทุกคนไปว่าเธอแต่งงานแล้วผัวเธอไปเป็นทหารไม่นานก็คงจะกลับมาบางคนพอรู้และถูกพี่นางปฏิเสธเขาก็ไม่มาวุ่นวายอีกแต่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่เหมือนจะเอาพี่นางให้ได้เข้าตำราเป็นชู้ก็ยอมมันมาหาพี่นางอยู่เสมอพี่นางปฏิเสธและขอให้กลับบ้านไปแต่เขาก็ยังดือ้อแล้วก็มาชวนนั่งคุยคอยช่วยพี่นางทำโน่นทำนี่ หลายหหนเข้าพี่นางก็ต้องเก็บข้าวเก็บของหนีมาข อ, อนอนที่บ้านผมเพราะว่ากลัวความไม่ปลอดภัยแต่การจะมานอนบ้านผมบ่อยๆนั้นกระดูจะเป็นการไม่เหมาะสมคนเขาจะนินทาเอาได้แม่ก็เลยให้ผมนี่แหละไปนอนเป็นเพื่อนพี่นางผมก็ได้ประจันหน้ากับผู้ชายคนนี้อยู่เสมอดูเขาคงขัดใจที่เวลามาหาพี่นางทีไรก็จะเจอผมนางปั้นจีมปันเจอเป็นก้างอยู่เสมอ ผู้ชายคนนั้นก็เริ่มหายหน้าไปเพราะรู้ตัวแล้วว่าพยายามเป็นชู้เท่าไหร่ก็คงไม่สำเร็จพอเขาหายไปเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติผมไม่ต้องไปนอนเป็นเพื่อนพี่นางอีกแล้วเวลาผ่านไปคืนหนึง่งคืนนั้นฝนตกหนักทั้งคืนเช้ามาผมก็ไปช่วยพ่อกับแม่ในไร่เพราะว่าดินมันอ่อนแม่จะลงข้าวโพดใหม่จนตอนเย็นเราก็กลับบ้านมาเดินเท้าไปตามทางดินนุ่มๆ กว่าจะถึงบ้านก็ย่ำคำ่ำตอนนั้นพ่อผมชวนไปส่องกบในทุ่งด้านล่างเราก็เดินผ่านทางบ้านพี่นางผมถือข้องคอยเดินตามพ่อได้กบได้ปูก็จับใส่บางครั้งปลาขึ้นมาเล่นน้ำบนทางน้ำไหลพ่อผมก็ดักจับกบและอึ่งก็เช่นกันบริเวณลอยต่อของป่าและนาจะชุ่มไปด้วยเสียงอึ่งอ่างกบเขียดร้องแข่งกันระงม อากาศเย็นสบายด้วยฝนประกอบกับแสงจันทร์ที่สาดส่องมายามค่ำคืนพ่อส่องไฟฉายที่ติดอยู่บนหัวไปมาตรงไหนมีเสียงกบดังขึ้นเราก็จะไปตรงนั้นจนเดินถล่มเข้าไปในไร่มันของพี่นางที่มันกินบริเวณพื้นที่การปลูกมาจนถึงเขตทุ่งนากบบางตัวมันก็ขึ้นมาจากบนนี้อยู่ๆพ่อผมก็หยุดนิ่งผมก็ถามพ่อว่าเป็นอะไรพ่อผมนิ่งเงียบจากนั้นก็ฉายไฟ ส่องไปยังจุดที่มันยังคงเต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยใบตองตึงและไม้ป่าหลากชนิดที่มันรกและเป็นเขตที่ดินของคนอื่นที่ไม่ใช่ทั้งของพี่นางแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเอมันเหมือนมีคนยืนอยู่เลยวะพ่อผมลดไฟลงกับพื้นแล้วส่องไปใหม่ผมก็มองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากต้นไม้ที่เปียกชื้นไปด้วยน้ำฝนก็ไม่เห็นอะไรเลยนะพ่อเอมัน มันเท้าของใครวะน่ะพ่อผมพูดขึ้นเหมือนกับพึมพับอกกับตัวเองพอผมเพ่งมองดูดีๆให้ตายเถอะนั่นมันเป็นเท้าของคนจริงๆครับพ่ออกมาแค่ส่วนของนิ้วก้อยกับนิ้วนางฝ่าเท้าก็พ้นออกมาจากโคนต้นไม้เพียงแค่เล็กน้อยพ่อผมนั้นแม่บอกว่าเป็นคนที่ขี้กลัวผีมากๆแต่เมื่อเห็นว่าเป็นฝ่าเท้าคนจริงๆพ่อก็เลยบอกให้ผมเดินนําหน้าเข้าไปดูส่วนพ่อนั้นจะส่องไฟตามอยู่ด้านหลัง พอผมเดินเข้าไปพอใกล้จะถึงพ่อก็ไม่เดินตามมาครับแต่สั่งให้ผมเดินเข้าไปดูก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่ามันเป็นเท้าคนแน่ๆผมก็เลยเอามือเกาะกับต้นไม้แล้วก็ค่อยๆชะโ ง, งกหน้าเข้าไปดูในจุดนั้นมันเป็นจุดที่รกมากๆครับเป็นจุดหาเห็ดที่ผมกับแม่เคยมาหากันบ่อยๆผมมองเข้าไปก็เห็นเป็นร่างของคนคนหนึ่งครับแต่มันก็มืดจนดูไม่ออกว่าเป็นใครที่มานอนอยู่ตรงนี้ เพราะว่าต้นไม้มันบังแสงจากไฟฉายที่พ่อผมส่องครับผมก็ตะโกนบอกพ่อว่าพ่อพ่อมีคนอยู่ตรงนี้จริงๆมาดูหน่อยพ่อผมไม่ได้ยินดังนั้นก็เดินตามเข้ามาแล้วส่องไฟดูภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ามันทำให้พ่อผมร้องเสียงหลงส่วนตัวผมนั้นก็ตกใจกลัวแบบสุดขีดเป็นพี่นางครับที่นอนงายยกมือเกรงแล้วก็ค้างอยู่ที่ใกล้ๆใบหน้าของตัวเอง ดวงตาค้างหลับไม่สนิทท่าทางเหมือนจะกลัวอะไรสุดขีดพ่อผมยืนเลิกลักส่วนผมก็เย็นเรียกพี่นางพี่นางอยู่อย่างนั้นตะโกนแหกปากเรียกด้วยความตกใจพ่อผมก็บอกว่าไปไปกลับบ้านกันก่อนผมก็รีบเดินตามพ่อเพราะว่ากลัวเหมือนกันพ่อมาถึงบ้านผมนั่งร้องไห้พ่อผมบอกให้แม่ผมได้รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีแม่ใช้ให้พ่อเดินก็ไปในหมู่บ้านไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนส่วนพ่อ ก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยไปได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากส่วนทางมันก็ไกลแม่รู้ว่าพ่อผมกลัวผีเลยไม่กล้าไปยังบอกพ่อว่าแล้วจะปล่อยศพอีนางไว้อย่างนั้นทั้งคืนเหรอแม่ก็เลยให้พ่อเอาผมไปเป็นเพื่อนพ่อก็เลยยอมไปผมกับพ่อก็วิ่งกึ่งเดินเข้าไปจนถึงหมู่บ้านเส้นทางนั้นมันก็เฉียดเข้าไปใกล้จุดที่เราพบกับศพพี่นางตอนที่เรายังไม่รู้ เราก็เดินวนกันอยู่ตั้งนานก็ไม่คิดอะไรแต่พอรู้ว่าตรงนั้นมีศพพวกเราก็เลยพากันกลัวพอผมกับพ่อพากันวิ่งไปจนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเราก็ยืนตะโกนเรียกผู้ใหญ่บ้านกันอยู่นานครับแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ง ง, งเงียลุกขึ้นมาเปิดบ้านแล้วก็ถามพ่อว่ามีอะไรพ่อก็แจ้งไปว่ามีคนตายอยู่ในป่าแถวบ้านแล้วก็เหมือนจะถูกฆ่าตายด้วยให้ช่วยไปดูหน่อยผู้ใหญ่บ้านซักว่าใครตายแล้วก็ตายยังไง พ่อผมบอกว่าเป็นคนข้างๆบ้านตายยังไงอันนี้ยังไม่รู้เลยแต่ไปสองกบเจอโผลมาแค่ครึ่งเท้าพอเดินเข้าไปดูก็เห็นเป็นศพผู้ใหญ่บ้านบอกให้พ่อผมกลับบ้านไปก่อนเพราะตอนนี้มันดึกมากแล้วจะทำอะไรก็คงไม่สะดวกไว้เช้าๆผู้ใหญ่บ้านจะพาตำรวจเข้าไปดูผมกับพ่อก็เลยพานกลับบ้านกันมาก่อนในคืนนั้นพ่อเดินกลับมาแล้วก็เฉียดไปจุดที่พบศพพี่นาง พ่อกระพาผมเดินกึ่งวิ่งเข้ามาจนถึงบ้านพอเข้ามาบ้านได้พ่อก็บอกแม่ไปตามว่าแม่ก็บอกว่าสงสารพี่นางเลยชวนพ่อจะเอาผ้าไปคุมศพพี่นางไว้ก่อนกันอุจารพ่อก็ไปผมก็ไปพอไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวหรอกครับแม่ผมหิ้วผ้าห่มไปด้วยผืนหนึ่งเป็นผ้าห่มสีเทาๆที่เขาเอามาแจกตอนช่วงฤดูหนาวพ่อเราพากันไปถึง พ่อก็ส่องไฟไปยังจุดที่เราเห็นฝ่าเท้าผลกมาก่อนหน้านี้แต่คนนี้เรากลับไม่เห็นฝ่าเท้านั่นแหละครับพ่อก็ส่องไฟฉายไปหลายจุดเพราะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะใช่จุดนี้หรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ในตอนกลางคืนนั้นจะมองไปทางไหนมันก็คล้ายๆกันไปหมดหากันอยู่นานก็ยังไม่เจอฝ่าเท้าของพี่นางจนแม่ดูหมุนหงิดอย่างเห็นได้ชัดผมเองก็เป็นคนที่รวมเห็นฝ่าเท้านั้นด้วยก็บอกแม่ไปว่า เท้านั้นโผล่ออกมาจากต้นใบตองตึงต้นนั้นจริงๆผมจําได้เลยชีย้บอกแม่ไปว่าต้นนั้นเพราะผมเป็นคนที่เดินเที่ยวเล่นอยู่แถบนี้บ่อยมากบ่อยมากกว่าพ่อด้วยซ้ําแต่ที่น่าแปลกที่คนนี้ไม่มีฝ่าเท้านั้นแล้วผมเดินนําหน้าพ่อเข้าไปพ่อเดินตามแล้วส่องไฟให้พอพ้นเหลี่ยมต้นไม้เข้าไปในป่ารกๆก็เห็นร่างของพี่นางนอนแข็งอยู่เพียงแต่ครั้งนี้ทําเอาพ่อของผมยืนนิ่งไปเลยพ่อถามผมว่า เมื่อกี้ศพพี่นางนอนอยู่ตรงนี้แล้วเท้าโผล่ไปทางไร่มันใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่พ่อก็ว่าแล้วทําไมาตอนนี้ศพถึงมานอนอยู่ตรงนี้พ่อผมยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าโอ้ยอีนางเอ้ยไปที่ชอบที่ชอบเนออย่ามาหอกอ้ายเดอ้อส่วนแม่ผมก็ไม่ได้สนใจพ่อนั่งลงคุกเข่าข้างๆศพแล้วร้องไห้แสดงอาการเสียใจอย่างเต็มที่ปนสาปแช่งคนที่ทําเธอ ดูจากลักษณะของศพแล้วไม่ใช่การเสียชีวิตโดยปกติแน่นอนเพราะว่าที่คอของพี่นางมีรอยช้ำๆเหมือนจะถูกบีบส่วนพวกมดพวกมแมลงตัวเล็กๆก็เริ่มขึ้นไต่ตอมศพแล้วแม่ของผมก็เอาผ้าห่มที่เตรียมไว้นำมาคุมร่างของพี่นางเอาไว้ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกพอรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่บ้านและตารวจก็ขับรถกันเข้ามาจอดแถวบ้านพี่นางพ่อกับแม่ของผม ก็ยืนรอกันอยู่แล้วก็จึงเดินเข้าไปหาผมก็ไปกับเขาด้วยพวกเขาก็ให้พ่อผมพาไปดูพวกเขาเข้าไปทำอะไรกับศพ บ, บ้างอันนั้นผมไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นคนเยอะมากและเด็กอย่างผมก็ถูกกันให้ออกนอกพื้นที่ก็ได้ยินแต่เสียงคนคุยกันข้างในเงิมงเงิ่งเงงเ่พ่อกับแม่ผมถูกตารวจเรียกไปสอบสวนแต่ก็ไม่มีอะไรต่อพวกเขาเอาศพพี่นางขึ้นรถไปพอพวกเขาไปกันหมดแล้ว แม่ผมก็เดินร้องให้ไปบ้านพี่นางไปช่วยปิดประตูบ้านให้สนิทมิดชิดทั้งหมาและไก่เดินกันให้วนพวกมันคงจะหิวและก็แม่ของผมนี่แหละครับที่เป็นคนคอยไปให้อาหารหมาสองตัวของพี่นางเพราะว่าเจ้าของของมันคงไม่มีโอกาสได้กลับมาให้ข้าวให้น้ำมันอีกแล้วแม่เคยพยายามจะเอาหมาสองตัวนี้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านเพราะปล่อยไว้ก็ไม่มีใครดูแลมัน แถมแม่ต้องเป็นคนคอยเอาข้าวเอาน้ำไปให้คนเดียวใช้พ่อหัวเด็ดตินขาดยังไงพ่อก็ไม่ยอมไปเพราะว่าพ่อกลัวส่วนผมนั้นก็กล้ากลักลววิ่งไปก็ทำข้าวหกจนหมดจนมหมาอดกินแม่เคยพยายามจะเอาหมาสองตัวนี้มาผูกไว้กับเสาบ้านเพื่อให้มันชินมันจะได้อยู่ที่นี่มันคุ้นกับบ้านเราก็จริงแต่มันก็พยายามจะกัดเชือกไนลอนสีเขียวจนขาดแล้วก็วิ่งกลับไปนอนเฝ้าบ้านพี่นางอยู่เสมอ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องราวคดีมากนะักแต่แอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันถึงเรื่องนี้ว่าพี่นางถูกคมขืนแล้วฆ่าด้วยการบีบคอจนพี่นางขาดอาการหายใจตายแต่ใครทำอันนี้ยังสืบสวนกันอยู่พวกที่ถูกเรียกไปสืบสวนก็มีแต่ชายหนุ่มที่เคยมาติดพันกับพี่นางและพยายามจะจีบเธอยิ่งคนที่มาเฝ้าพี่นางบ่อยๆนั้นถูกเข้นหนักเป็นพิเศษเพราะพ่อผมให้การไปว่า ชายคนนั้นมาติดพันกับพี่นางมากที่สุดแต่ก็ยังขาดหลักฐานที่มากพอที่จะจับใครได้ในตอนนั้นทุกคนก็เลยโดนปล่อยกลับไปจนหมดทีนี้มันก็กลายเป็นความมืดดำครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคข่มขืนแล้วฆ่าพี่นางทิ้งศพของพี่นางพวกญาติญาติที่มาจากด้านซ้ายจัดการตามพิธีแล้วเอาศพของนางฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านของผมเพราะไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพกลับไปที่จังหวัดเลย และอีกอย่างหนึ่งคือต้องการรอให้จับคนร้ายได้ซะก่อนจึงจะขุดศพนั้นขึ้นมาเผาในยุคนั้นพื้นที่ก็ยังมีไม่มากครับเมนเผาศพในวัดก็ยังไม่มีสวดศพเสร็จก็ช่วยกันหามมัดไปยผ้าขาวแล้วก็ฝังเลยแล้วป่าช้าที่ว่ามันก็อยู่ลึกเข้าไปในป่าค่อนข้างไกลจากหมู่บ้านครับแต่ดันใกล้กับบ้านผมเดินลัดไปแค่ลูกอมอมเม็ดเดียวละลายหมดก็ถึงแล้วป่าช้าบ้านของผมนั้น มันเป็นป่าช้าจริงๆครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางป่าเลยเขาเรียกกันติดปากว่าเกาะโปรงสังขารเพราะว่ามันตั้งอยู่กลางป่ารกในลักษณะเหมือนเกาะกลางทะเลเป็นจุดที่คนหาของป่าไม่กล้าแม้แต่จะเดินเฉียดเข้าไปแม้แต่ในตอนกลางวันครับถึงแม้ตรงนั้นจะมีเห็ดขึ้นเต็มพื้นที่ก็ตามผมเคยตามพ่อไปที่นั่นครั้งหนึ่งเห็นเห็ดป่านานาชนิดขึ้นอยู่เต็มไปหมด แถมต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นคงเป็นเพราะไม่มีใครกล้าไปแตะแล้วก็มีสารไม้หลังคาสังกะสีตั้งอยู่ตรงทางเข้าแลดูน่ากลัวมากแล้วก็มีหลุมศพเยอะจนผมนับไม่ถูกเลยครับแล้วก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ตั้งแต่ที่พี่นางตายไปบ้านหลังนั้นก็ถูกปิดพืชผลก็ถูกปล่อยทิ้งสัตว์พวกไก่มันก็อยู่ได้ครับ เพราะว่ามันคุ้ยเขี่ยหาอาหารเองได้แต่ว่าหมาสองตัวนี่สิมันยังคงซื่อสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงยังนอนเฝ้าใ้ถุนบ้านอยู่ถ้าใครผ่านไปผ่านมามันก็จะเห่าแล้วก็กลับไปนอนแม่ทั้งสงสารอีกทั้งไม่อยากจะเดินเอาข้าวไปให้มันเลยจัด ก, การเอาโซ่มาผูกไว้กับเสาเรือนหนนี้ตั้งใจจะให้มันอยู่ที่นี่ให้ได้เจอโซ่แบบนี้เข้ามันก็ไม่มีทางกัดขาดแน่นอน แต่มีอยู่คืนหนึ่งอยู่ๆพวกมันก็พากันเห่าแล้วก็เริ่มเห่ากันโชคแล้วก็ประสานเสียงกันขึ้นมาหมาผมเองที่มีอยู่แล้วหนึ่งตัวก็เอากับเขาด้วยพ่อผมตื่นแล้วก็ตะว่าเสียงลงไปเพราะว่าหนวกหูบอกให้หมามันเงียบแต่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นจากเสียงเห่าก็กลายเป็นเสียงหอนขึ้นมาพ่อคงจะโมโหก็เลยลุกออกไปคงกะว่าจะไปเตะหมาแต่พอเปิดประตูไป พ่อก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็คุมโปงแม่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ลงไปจัดการหมาล่ะพ่อก็พูดเบาๆว่า อ, อีนางมันมาในคืนต่อมากลางดึกสงัดหมาสองตัวใต้ถุนบ้านก็ทำเสียงปุ๊บุ๊เหมือนทำได้จะเห่ า, หาแต่สักพักก็เปลี่ยนเป็นเสียงคลางิงิง้งๆิงงงง้งิเสียงโซ่กระทบกันดังแกรก ก, รกเหมือนกับมันกลาลังแกว่งหางอยู่ ผมตื่นแล้วผมก็ได้ยินแล้วผมก็สงสัยว่าเป็นใครทําไมถึงทําให้หมาดีใจได้เพราะโดยปกติแล้วหมาสองตัวนี้นอกจากผมพี่บ่าวพี่นางแล้วก็แม่แล้วคนอื่นมันเห่าหมดครับแม้แต่พ่อของผมเองในใจตอนนั้นผมคิดว่าพี่บ่าวคงจะกลับมาหรือเปล่าก็เลยค่อยๆลุกแล้วก็คลานออกไปดูที่ประตูผมก็เห็นหมาสองตัวนั้นวิ่งออกไปจากบ้านแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบ้านของพี่นาง ผมเห็นหลังมันไวๆในความมืดว่าเหมือนมีเงาคนกำลังเดินออกไปจากบ้านนำหน้าหมาไปเช้ามาแม่ก็มาบ่นว่าใครมันมาปลดโซ่หมาผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็มาลํำพึงเบาๆว่านางเอ้ยพี่จะเลี้ยงมันให้อย่าเอามันไปอดไปอยากเลยเดี๋ยวมันจะตายมีอยู่วันหนึ่งเกลอของพ่อมาจากในหมู่บ้านเกลคนนี้ แกไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพกลับมาเที่ยวเล่นในหมู่บ้านจนค่าก่อนนึกถึงพ่อแกเลยแบกหายอุ ก, กับสาโทเดินจากหมู่บ้านมุ่งตรงมาหาพ่อพอมาถึงก็ส่งเสียงวงกเวกวายเรียกหาพ่อของผมพ่อก็เลยตั้งวงดื่มกันสองคนที่แค่ใต้ถุนบ้านผมกับแม่ก็นั่งอยู่ด้วยเพราะว่าเกลอของพ่อมีของมาฝากหลายอย่างผมได้รถของเล่นก็นั่งเล่นไปและแอบกินกับแกล้มไปด้วยแม่ก็นั่งคุย ถามถึงสารทุกสุกดิบการทามาหากินพอเมาได้ที่เกลอของพ่อก็พูดขึ้นมาว่า เ, ออเมื่อกี้เดินผ่านบ้านหลังนั้นเมาอ่ะบ้านใครวันน่ะเกลอของพ่อชี้นิ้วไปทางบ้านของพี่นางอ๋ อ, อเขาเพิ่งมาอยู่เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นแหละเอเก่งดีเว่เป็นผู้หญิงแท้ๆมาปลูกบ้านอยู่คนเดียวเย่ยมเยีมย ม, ยมพ่อกับแม่ถึงกับหยุดกึก เลเงียบสนิทไปทันทีก่อนจะถามต่อว่ามึง ม, มึงว่าอะไรวะผู้หญิงที่ไหนอ้าวก็เมื่อกี้กูเดินผ่านบ้านหลังนั้นมาก็เห็นมีคนเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดไฟในบ้านแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยืนมองกูแล้วก็ยิ้มให้กูด้วยนะสว ย, สวยกๆกลมๆคล้ำๆแม่จัดว่ายเยี่ยมจริงๆ ช, ชิบหายแล้วโว้ยพ่อถึงกับร้องเสียงหลงแล้วก็ชะเง้อมองไปทางบ้านของพี่นางก็เห็นอยู่ไกลๆ ว่ามันมืดสนิทเกลือของพ่อก็หันตามไปมองแล้วก็ถามว่าอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ้านหลังนั้นผัวเขาไปทหารเขาก็เลยอยู่คนเดียวมึงมึงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะพ่อก็หกเกลือผมมองหน้าแม่แม่ก็มองหน้าผมผมทำท่าจะบอกแม่ก็เอานิ้วจุปากไว้ผมก็เลยเงียบคืนนั้นเกลือนอนที่บ้านพอเช้าเขาก็กลับไปแม่ก็พูดกับพ่อผมว่า พี่นางคงจะยังไม่สงบเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้และอาจจะยังมีห่วงบางอย่างก็เลยยังมาปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นแบบนี้เพราะว่าพี่นางคงแค้นมากก็คงต้องตามไปแก้แค้นคนที่ทำแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้แต่ก็ยังคงเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่ตั้งแต่ที่แม่รู้ว่าพี่นางยังไม่ได้ไปสู่สุกติและยังวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนั้น แม่ก็จะซื้อขนมหวานจากลุงที่ขับมอเตอร์ไซค์มาขายตอนเช้าไปตั้งเส้นไว้ที่บันไดหน้าบ้านของพี่นางทุกวันเพื่อไม่ให้พี่นางอดและหมาของพี่นางก็จะได้กินด้วยแม่เพียงเอาข้าวไปให้หมาสองตัวนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพี่บ่าก็กลับมาจากทหารแล้วก็มาที่บ้านของผมตอนนั้นพ่อกับแม่ของผมไปในไรเหลือผมเพียงคนเดียวที่บ้านพี่บ่าดูหน้านิ่ง ในตาแดงเหมือนคนร้องไห้พี่บ่าวซักถามผมเกี่ยวกับเรื่องที่ผมกับพ่อไปเจอศพพี่นางที่ริมป่าข้างไร่มันผมก็เล่าให้พี่บ่าฟังจนหมดพี่เบ่าถึงกับร้องไห้น้าตาแตกน่าสงสารมากครับเพราะว่าผมเล่าให้ฟังอย่างซื่อซื่อไม่ได้แต่งเติมอะไรได้ยินแต่เพียงเสียงแค่ว่าไอ้ขอโทษอ้ขอโทษตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก เพราะว่าไม่เคยเห็นพี่บ่าวร้องไห้แบบนี้มาก่อนพี่บ่าวคงรู้เรื่องพี่นางมาก่อนแล้วแน่ๆ แ, แล้วพี่บ่าวก็ถามผมว่าป่าช้าที่ฝังพี่นางไว้ไปทางไหนผมรู้จักหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมรู้พี่บ่าวก็เลยบอกว่าช่วยพาเขาไปหน่อยได้ไหมผมก็พาไปอย่างว่าง่ายพี่บ่าวสะพายเป้เดินตามหลังผมมาเงียบๆพร้อมกับหมาอีกสองตัวที่ตอนนี้มันดูสูบผมลงไปมาก ผมพาพี่เบลเดินตัดลัดป่าไปตามเส้นทางที่ผมจําได้เพราะว่าเคยมากับพ่อเราพากันเดินเข้าไปจนถึงถนนดินที่เป็นเส้นตัดผ่านเข้าไปในป่าแล้วก็ตรงเข้าไปในป่าช้าพี่เบลไม่ค่อยพูดเอาแต่เดินตามผมมาอย่างเดียวผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าหลุมไหนเป็นหลุมที่เขาใช้ฝังศพพี่นางผมเองก็กลักลวๆเพราะศพทั้งนั้นที่นอนอยู่ใต้ดินพี่เบลก็บอกกับผมว่าช่วยแกมองหาหน่อย หลุมไหนที่ยังดูใหม่ๆผมก็เลยเดินแยกช่วยมองหาจนไปเจอเข้ากับหลุมหนึ่งลักษณะเหมือนถูกขุดได้ไม่นานผมก็เลยตะโกนบอกพี่บ่าวพี่บ่าวก็เลยเดินมาพร้อมกับจอบอันเก่าๆอันหนึ่งซึ่งผมเดาว่าคงจะเป็นจอบประจาป่าช้าพี่บ่าวยืนพิจารณาไปรอบตัวแล้วเ่าก็ ง, ง้างจอบทำท่าจะขุดผมถอยหลังออกมาด้วยความตกใจและกลัวแต่ก็ไม่ได้หนีไปไหน ยืนรอพี่เบาโกยดินในหลุมกระจายออกเหมือนขุดหนูผมไม่กล้าเข้าไปดูเพราะผมกลัวสักพักผมเห็นพี่เบาวหยุดขุดแล้วก็ซุดลงไปคุกเขา่ากองดินบงังจนเห็นพี่เบาแค่ช่วงเอวขึ้นมาพี่เบาวร้องไห้ฮือเสียงดังมากป้านจะขาดใจแล้วแกก็ก้มลงและหายออกไปจากสายตาผมผมขยับเข้าไปเทละนิดแล้วก็ชะเง้อมองเพราะอยากเห็น พี่บ่าวแกทาอะไรอยู่พอพ้นเนินดินไปได้ก็เห็นพี่บ่าวนั่งกอดศพที่กำลังเน่าอยู่ทรงกลิ่นเหม็นอบอวนไปทั่วบริเวณจนผมแทบอยากจะอ้วกออกมาแถมประคองขึ้นมากอดเอาไว้แนบ อ, อกและแกก็ร้องให้จูบหน้าผากแล้วก็หอมแก้มด้วยมันช่างเป็นภาพที่น่าเวทนาซะจริงๆพอได้เห็นแบบนั้นผมก็ถึงกับสะอึกในลาคอ พี่เบ่าวอดศพพี่นางในหลุมอยู่นานอย่างไม่รังเกียจแต่ผมสะอิดสะเอียนจนต้องถอยออกมานั่งไกลๆเพื่อทําใจจนพี่บ่าวลุกขึ้นยืนและปาดน้ําตาแล้วเริ่มกลบหลุมผมจึงเข้าไปช่วยโดยการหาไม้แล้วโกยดินลงไปผมรู้ครับว่าตอนนี้พี่บ้ากําลังเสียใจมากผมก็เลยไม่ได้ถามอะไรคราบดินคราบน้ําเลือดน้ําหนองจากศพยังเปลือยอยู่ที่ตัวพี่บ้าอยู่เลยกลิ่นมันไม่จางลง พอกลบเสร็จพี่บาวก็เอาทูปออกมาหนึ่งดอกหมากพลูดอกไม้แล้วก็นำไปวางไว้บนหลุมศพแล้วเหมือนแกนจะท่องคาถาอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ก็จับใจความตรงประโยคที่เป็นภาษาไทยได้ว่ากราใดใครก่อกํานั้นขอให้คืนนอนแล้วพี่บาวก็ชวนผมกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านพ่อกับแม่ของผมก็อยู่ในการร้อนใจเพราะผมหายไป แล้วพี่บ่าวก็เข้ามาคุยกับพ่อกับแม่ของผมผมขอแยกตัวออกมาเพราะกินเหม็นที่ติดตัวพี่บ่าวอยู่แล้วพอพี่บ่าวกลับบ้านไปผมก็ได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่าเอ้ยไอ้บ่าวมันทำแบบนี้ไม่นานก็คงจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะผมไม่รู้หรอกครับตอนนั้นว่าพ่อกับแม่หมายถึงอะไรการขุดศพขึ้นมากอดแล้วจุดทูกท่องคาถาจะจับคนร้ายที่ฆ่าพี่นางได้ยังไง พี่บ่าวกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่นานก็ต้องกลับไปอีกเพราะว่าต้องไปเป็นทหารต่อพี่บ่าวฝากหมาไว้กับแม่แล้วก็ควักเงินไว้เป็นค่าข้าวของหมาแม่ก็รับไว้แล้วพี่บ่าวก็ไปสุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนร้ายไม่ได้เพราะสอบเข้นผู้ชายที่อยู่ในละแวกนั้นจนหมดตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบข้อผิดปกติพ่อว่าคนร้ายคงลอยตัวสบายใจใช้ชีวิตไปตามเดิม ส่วนพี่นางก็คงต้องตายไปเปล่าๆแบบนี้แม่ก็ว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมตำรวจยังทําอะไรไม่ได้เลยแต่แล้วสายๆของวันหนึ่งก็มีรถตํารวจวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในกลับออกมาพร้อมรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บนท้ายกระบะ1คันพ่อหายไปฟังข่าวมาแล้วมาเล่าให้แม่ฟังว่าพ่อค้าขนมหวานที่ขับมอเตอร์ไซค์มาที่นี่ทุกเช้า ไม่รู้แกไปทำอีท่าไหนขับรถเสียหลักคนไปทางรถไปทางตัวคนขับกระเด็นตกจากรถพุ่งตกใส่ตอไม้ไผ่ที่ข้างทางเสียบทะลุคอหอยพอดิบพอ ด, พดีและสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้นั้นก็คือมันมีเศษผ้าเก่าๆที่ไม่รู้มาจากไหนเกี่ยวติดอยู่กับต้นไม้มีเศษคราบเลือดคราบหนองเกลืกลักลงเหม็นมากแม่บอกพ่อว่าหรือว่า พ่อก็ว่าน่าจะใช่แน่ๆคนที่คมขืนพี่นางแล้วค่ะคงเป็นพ่อค้าขนมหวานคนนี้แน่นอนสําหรับพ่อกับแม่แล้วแกเชื่อแบบนั้นเพราะตอนที่พี่บ่าวมาคุยกับพ่อกั บ, กบแม่โดยสภาพที่มีกลิ่นเหม็นติดตัวในวันนั้นพี่บ่าวก็บอก ก, บอกับพ่อกับแม่ตรงๆว่าเขารู้ข่าวที่พี่นางโดนคมขืนแล้วค่าตั้งแต่ตอนที่อยู่ในค่ายแล้วเพราะญาติเขาไปบอกเขาเสียใจมากไม่เป็นนันทําอะไร อยากจะกลับมาแต่กลับมาไม่ได้พี่บ่าวก็แค้นคนที่ทำและอยากจะสืบเพื่อจะฆ่าล้างกันพอหัวหน้าพี่บ่าวรู้เข้าก็เป็นคนแนะนำคาถาปลุกผีตายโหงให้พี่บ่าวพี่บ่าวเลยเอามาทำแบบที่ผมได้เห็นมานั่นเองในทางคดีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครจับฆาตกรได้หรอกครับแต่ผมมั่นใจจากสิ่งที่เห็นมาว่าฆาตกรได้ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้ว